มาขึ้นข้อความในคัมภีร์เนติประกรณ์เลยนะเนติประกรณ์ครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงปริวัฒนหาหระวันนี้มาต่อด้วยเววัจนหาหระในหน้า95ข้อ37กล่าวถึงหาระคือเววัจนหาหระว่าในบรรดาหาระเหล่านั้นเววัจนหาหระเป็นชนะัย คาถาว่าเววจานานิระหูนิเป็นต้นเนี่ยนะที่แปลว่าคำวัยพท์ทั้งหลายเป็นอันมากเป็นต้นนั้นชื่อว่าเววจนะหาระดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงธรรมะอย่างหนึ่งด้วยคำวัยพท์ทั้งหลายอื่นๆ น, น, นะคือใช้หนึ่งศัพท์เนี่ยนะใช้หนึ่งศัพท์เอ่อ้าไปพูดอัตะหนึ่งความหมายแต่ใช้คาหลายๆคาเรียกว่าวัยพ์ คือตัวเนื้อหาเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนพยัญชนะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเหมือนคนเดียวสามารถมีหลายชื่อก็ได้บอกในบรรดาสิ่งที่มีชื่อมากที่สุดนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบุคคลที่มีชื่อเยอะที่สุดแต่ก็มีสภาวธรรมที่มีชื่อเยอะที่สุดมีอยู่สภาวธรรมหนึ่งตันหามีเป็นร้อยชื่อตันหานี่มีชื่อมากที่สุดเลย พวกนี้เป็นถ้อยคําที่อธิบายถึงสภาวะนะโดยใช้ชื่อหลายๆชื่ออย่างพุทธพจน์ที่ว่าความหวังก็ดีความต้องการก็ดีความยินดียิ่งก็ดีตันหาที่แล่นไปในธาตุมากมายก็ดีตันหาที่ตั้งอยู่ก็ดีตันหาอันเป็นที่เกิดของโมหะมูลก็ดีตันหาที่ติดด้วยประการต่างๆก็ดี ตัณหาทั้งปวงที่เป็นไปพร้อมด้วยเหตุอันเราทำให้สิ้นสุดแล้วสังเกตดูนะหนึ่งความหวังก็เป็นชื่อของตัณหาความต้องการเนี่ยนะก็เป็นชื่อของตัณหาความยินดียิ่งก็เป็นชื่อของตัณหาหรือตัณหาที่แล่นไปในธาตุตัณหานี่ก็ชื่อตรงๆนะเป็นชื่อของตัณหาตัณหาที่ตั้งอยู่หรือว่าตัณหา เป็นที่เกิดของโมหะมูลตันหาที่ติดด้วยประการต่างๆรานในคาถานี้ยกตันหามาเป็นตัวอย่างเจ็ดชื่อเจ็ดเจ็ดชื่อด้วยกันคำแรกที่บอกว่าความหวังความหวังนี่มาจากบาลีว่าอาสาอาสาอาสาบาลีนะั้นไม่ใช่อาสาภาษาไทยอาสาภาษาไทยก็แปลว่าอะไรอาสา เรว่าเข้าไปรับใช้เข้าไปรับรมเรียกว่าสมัครเข้ า, านะแต่อาสาในที่นี้แปลว่าความหวังหมายถึงความปรารถนาซึ่งทรัพย์จักมีท่านเรียกว่าอาสาบาลีก็บอกว่าจักมีจักมีตัวนี้แปลว่าอนาคตความหวังก็หวังอนาคตใช่ไหมหวังว่าอะไรขอข้าพเจ้าจงเจริญด้วยรูปสวยๆจงเจริญด้วยเสียงจงเจริญด้วยกลิ่นจงเจริญด้วยรส หรือว่าถ้าไปร้านอาหารก็หวังว่าจะได้พบอาหารอร่อยๆ อ, อ, อย่างเงี้ไอความหวังทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสาหวังไปเรื่อยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะสิ่งที่ไม่แห้งแรงอยู่อันหนึ่งคือความหวังหวังไปเรื่อยเนี่ยนะแต่แต่ที่จริงเขาน่าจะรู้บ้างความไร้ความหวังไปเรื่อยหมายคืาว่าความความสมหวังเนี่ยมียากขึ้นทุกวันทุกวัน แต่ความหวังยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะหวังว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้นะก็ยังบางคนเลยหวังต่อไปว่าชาติหน้าหวังว่าจะดีกว่าชาตินี้มันหวังไปด้วยโดยทั่วๆไปแล้วการคิดถึงเรื่องราวในอนาคตเนี่ยนะถ้าไม่คิดด้วยกุศลไม่คิดด้วยวิปัสนาส่วนใหญ่คิดด้วยตัณหาทั้งหมดพอคิดหวังด้วยตัณหาปั๊บเนี่ยนะ แต่็จแล้วมันไม่เป็นดังหวังก็เสียใจขึ้นมาคิดไปคิดมาเลยเครียดเลยแต่ที่แรกก็หวังก่อนคิดด้วยอำนาจความหวังหวังไปเรื่อยหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนี้นั้นความหวังนั้นเป็นความต้องการอนาคตความหวังนั้นย่อมเกิดขึ้นแก่เรานั้นว่าทรัพย์จกมาถึงแน่แท้อันนี้หวังเลยใช่ไหมลักษณะเขาบอกว่าทรัพย์จะมีมาถึงแน่แท้เขาบอกว่าดูได้จากวงการไหนบอกวงการธนันทั้งหลาย หวยเนี่ยวันที่สิบหกรวยแน่วันที่หนึ่งรวยแน่เช้าวรวยแน่เย็นรวยแน่แต่แล้วแต่หวยกลุ่มไหนเนี่ยนะก็หวังอย่างเงี้ยไปเรื่อยหวังไปจนหมดตัวนะนั่นะนะแต่ก็ยังไม่สิ้นความหวังยังไม่ไร้หวังฝันต่อไปเรื่อยฝันว่าคงจะเจอหวยที่ดีหวังไปเรื่อยเมื่อวานบอกห้าสิบล้านนะนะโยมก็บอกโน้นไปหาคนโน้นอย่างไอันนั้นก็บอกซื้อแค่ใบเดียวเองว่างั้นะ หวังว่ามันมา น, นั่งตรวจนี่ก็หวังว่าจะมีเลขที่มันเหมือนเหมือนใบที่เราซื้อเนี่ยนะกรตรวจอยู่นั่นนะหวังผู้การเคยตรวจยงเบอร์รึเปล่าไม่เคยเลยนะอะไม่เคยซื้อเลยนะแสดงว่าไม่เคยหวังตรงนี้สักเท่าไหร่นะนั้นลักษณะของความหวังมันก็หวังอยู่เรื่อยไปหวังอยู่ร่ําไปเนี่ยน ความต้องการทรัพย์ซึ่งกําลังเป็นไปอยู่อันนี้ท่านเรียกว่าปีหาแปลว่าความต้องการความต้องการนั้นย่อมเกิดขึ้นแก่เรานั้นว่าวัตถุอารมณ์เช่นนี้พึงมีเพราะเห็นวัตถุอารมณ์ที่ดียิ่งอันนี้ก็หมายถึงอารมณ์ปัจจุบั น, น, น, นะเจออารมณ์ประจวบกับอารมณ์เฉพาะหน้าโอ้ต้องการมากลักษณะกระหายเคยมันเห็นแล้วมันหิวเลยอ่ะเหมือนหิวอาหารเนี่ยเห็น บางท่านก็บอกเห็นจนเนื้อเต้นเลยหรือใจเต้นเลยทุบๆ ต, ตับๆ่างเงี้ยนะก็ไอลักษณะความต้องการเนี่ยในคาถาธรรมบทมีอยู่เรื่องหนึง่งน้องของพระนุรุทธะเนี่ยหลังจากที่ท่านทำบุญเช็ดโูมากแล้วก็หายจากโรคโรคผิวหนังบรรลุเป็นพระโสดาบันตายแล้วไปเกิดเป็นนางฟ้าทีนี้นางฟ้าเนี่ยปกติเขาจะมีเขตแดนของเขาใช่ไหมแผ่นดินของเทวดาเาก็จะมีแผ่นดินของเขาอ่ะ จะมีเขตแดนให้นางฟ้าคนนี้ไปเกิดคร่อมระหว่างเขตแดนเทพผบุตรสี่องค์เนีย่ยนะก็เลยศึกชิงนางก็เลยเกิดขึ้นเทวดาก็เลยทะเลาะกันว่านางนี้ควรจะเป็นของใครเทวดาก็ทะเลาะก็บอกคู่ทุกคนก็โอ้โหขาดนางไม่ได้เลยก็เลยเอาเข้าไปเฝ้าเท้าสักกะเป็นเทวดาห้าองค์ละอันนี้ใครจะมีฝีมือกันนะ องค์ที่หนึ่งก็บอกว่าเออเท้าสก่าก็ถามว่านี่เธอมองเห็นแล้วเป็นยังไงบอกโอ้ยใจนี่มันเต้นเหมือนกลองศึกเลยเหมันตับตุบตับตุบตั บ, ตบเลยนะอีกคนหนึ่งบอกโอ้ใจเหมือนธงที่แขวนไว้บนอากาศนะลมมันสะบัดโอ้ไม่ไมั่นคงเล ย, ลเ อ, เลยอีกคนหนึ่งก็บอกโอ้นตาแทบถลนมาเหมือนตาปูเลยเหมันอีกคนหนึ่งก็เหมือนห่วงน้าที่มันไหลมาท่วมทับหมดเท้าสก่า ก, ก็เลยบอกว่าเออนี่พวกเธอคงพอทนกันได้ แต่ข้าพเจ้าถ้าไม่ได้นางเสร็จแล้วข้าพเจ้าคงตายเป็นแน่เทวดาก็เลยบอกข้าพระองค์ทั้งหลายยังไม่อยากให้พระองค์ตายพระเจ้าขาก็เลยยกนางให้เลยในเสร็จเท้าสา ก, ก่าอันนี้นะพวกความต้องการเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นเห็นแล้วก็ต้องการมากเพราะความต้องการความเพลิดเพลินนี่มันมันต้องการอย่างยิ่งจริงๆนนะเราเพิ่งมีวัตถุอารมณ์เช่นนี้มันมันเห็นแต่อสาธะอย่างเดียว พวกเห็นแต่บางบางคนเนี่ยมองเห็นแต่ว่ามันน่ายินดีอย่างเดียวเลยไม่มองเห็นสิ่งที่มันมีโทษติดตามมาเหมือนอย่างว่าปลาที่ไปเห็นเหยื่อที่เขาเกี่ยวเบ็ดมาเนี่ยนะหมามันได้คําเดียวพอดีเลยนะฮุบทีเดียวเนี่ยหมดเลยก็เลยไม่ได้พิจารณาอะไรมองเห็นแค่เหยื่อก็เลยฮุบทันทีเข้าในที่เหลือก็เกลื่นถึงลําไส้ะนะเกลื่นเข้าไปถึงกระเพาะนะพอรู้ว่าตัวเองนี่ติดเบ็ดเข้าทําไงดิ้นสิ พรดิ้นแล้วก็กระชากตะกระชากตับไตไส้พุงนี่ออกมาทางปากก็มีนะถ้าเป็นพวกกบเนี่ยเห็นชัดนะมันมันรีบกลืนเกินไปมันไม่รู้ปัจจเวกอย่างนี้และโทษของการไม่ปัจจเวกก็เลยกลืนเหยื่อบานเบ็ดมานก็เลยเอาไปต้มสักเกลี้ยงหมดเล ย, ยนะบางตัวที่มันไม่ถึงก็รีบกลืนล่นเ ก, กินไปมันก็มันก็ไปฮุบเฉยเฉยมันไม่กลืนรีบกลื่น พอมันฮุบปั๊บเนี่ยบางตัวมันไหวทันมันรู้ว่าเอา้านี่ถูกเหยื่อแล้วนะถูกเบ็ดนะทีนี้เบ็ดเนี่ยมันยังเข้าไปไม่ลึกไงมันก็กระตุกกระตุกเนี่ยโดยส่วนหนึ่งเนี่ยปากแหว่งหมดเลยปากแหว่งกับเบ็ดเนี่ยเบี้ยวหมดเพรามาเป็นพรานเบ็ดมา ก, ก่อนรู้นะจะรู้ว่าเออเนี่ยไอความปรารถนาความยินดียิ่งเข้าไปในอารมณ์เนี่ยเป็นลักษณะนั้นทํามองเห็นแต่งแง่ได้โดยส่วนเดียวไม่มองเห็นความเสียหายที่ติดตามมา มูสัตทั้งหลายเมื่อรับอารมณ์ที่น่าปรารถนาเนี่ยจะไม่นึกถึงอาทีนวะตามมาเลยเห็นแต่อสาทะเห็นแต่ความน่าเพลิดเพลินของอารมณ์นั้นๆโดยไม่รู้ว่าอาทีนวะอะไรจิตติดตามมาเนี่ยน้อยนักที่จะนึกถึงอาทีนวะที่ติดตามมาถึงบางคนถึงบอกพอรู้อาทีนวะรู้โทษอยู่แต่ก็บอกทนได้ทนได้ไดก็บอกเขาจะทนเขา่างันแต่นั่นในตอนต้นรอกแต่ตอนหลังไม่ใช่เลยตอนแรกก็บอกไม่น่าเลย ลหลายเรื่องเนี่ยนะแม้กระทั่งการเกิดในภพใหม่เนี่ยนะในตอนเกิดมาสมัยเด็กๆก็ดีใจที่ได้เกิดซะส่วนใหญ่นะโดยมากดีใจที่ได้เกิดพอเกิดขึ้นมาปั๊บินงงตรงนังไปหมดก็เลยบอกไม่น่าเลยเนี่ยนะนะก็อย่างนี้แหละวันความต้องการความเพลิดเพลินความยินดียิ่งในอารมณ์เพราะนั้นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยหรือตัวตัณหาเนี่ยในเบื้องต้นมันน่าเพลิดเพลินจริงแต่ว่าในตอนท้ายเนี่ยมันเป็นยาพิษชนิดร้ายแรงมากนะ ส่วนตันหาที่เมื่ อ, อที่ระงับเมื่อได้สิ่งของที่ตนปรารถนาชื่อว่าอภินันธนาอภินันทนาหมายถึงว่าได้แล้วมันสมหวังสมความปรารถนาก็เลยดีใจเป็นอย่างยิ่งนะอย่างที่เขาบอกว่าคารวาสนี่มีความสุขอย่างหนึ่งคือบริสุขมีความสุขในการใช้จ่ายทรับนะนะเขาบอกว่าไทยเนี่ยชอบช้อปปิ้งเป็นที่สุดเห็นอะไรก็ช้อปปิ้งหมดเลย นะไปอินเดียครั้งนี้ไม่ขอล้องคงคาเพราะมาคือมันแขกนะแขกเนะี่ยถ้าเห็นทัวร์คณะอื่นนะประเทศอื่นเขาไม่สนใจเลยนะถ้าเห็นทัวร์ไทยมาแนละ้วแขกพายเรือปรีมาแนละ้วมาตอนแรกเส้นละห้าบาทตอนหลังก็ลดมาสี่บาทแต่นะก็ต่อรองกันไปเรื่อยอุ้ยพระนั่งฟังรำคาญมากเลยใ <c oughs> นที่สุดได้เส้นละสองบาทกันมาพอจะจักกันจริงๆแทบจะทกให้ฟรีนันะ่นแหละก็เลยหอบกันมาเต็มพนุงพลังไปหมด แต่อันนี้ยกที่เดียวนะที่อื่นๆก็ลักษณะเดียวกันซึ่งไอความยินดียิ่งเรียกว่ายินดียิ่งในการใช้ทรัพย์เนี่ยนะจ่ายทรัพย์แล้วก็ยินดียิ่งในการบริโภคทรัพย์ก็เพลิดเพลินนั่นแหละหรือบางทีบุคคลย่อมยินดียิ่งซึ่งซึ่งญาติผู้เป็นที่รับบ้างย่อมยินดียิ่งย่อมยินดียิ่งซึ่งอติอิทธารลมแปลว่าหน้าปราถนาอย่างยิ่งมีสีเป็นต้นอันเป็นที่รักบ้าง ย่อมยินดียิ่งซึ่งสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักโดยความเป็นของไม่ปฏิกูลมองอยังไงก็ดีโดยส่วนเดียวไม่มีข้อหน้ารังเกียจแม้แต่นิดเดียวมองเห็นแต่อส า, าธะมองเห็นแต่ความน่าเพลิดเพลิน เ, เลยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีโทษมองเห็นแต่พูดเด็กในหนึ่งบอกเห็นแต่คุณโดยส่วนเดียวเห็นแต่ส่วนดีเลยไม่เห็นส่วนเสียอย่างคนที่ถูกหลอกคนที่ทําอะไรแล้วผิดพลาดในตอนหลังส่วนใหญ่เนี่ยนะคือคนที่มองด้านเดียว มองในส่วนที่มันน่าได้อย่างเดียวอย่างนักเล่นการพนันเนี่ยนะที่เสียพนันกลับมาหน้ามืดส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาเห็นว่าเขาจะได้โดยส่วนเดียวไอ้ที่เสียนี่เขาไม่ค่อยคิดนะนาก็ไม่ค่อยคิดในที่สุดก็หมดนนะเพราะความยินดีอย่างยิ่งไม่มองเห็นว่านี่เสียหายมีแต่ดีอย่างเดียวนในที่สุดก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช มันพวกลักษณะของตันหาสามคำเนี่ยนะอาสาปิหาอภินันทนาเนี่ยสามคำก็เลือลักษณะตันหาที่ปรารถนาอนาคตตันหาที่กําลังบริโภคปรารถนาที่คิดอะไรก็สมความปรารถนาหมดพระองค์ตรัสว่าถ้ามูสัตว์ทั้งหลายปรารถนาวัตถุกรรมอยู่วัตถุใดก็ได้วัตถุนั้นถ้าสําเร็จดังที่เขาหวังเขาย่อมเอิบอิ่มใจเป็นแน่นั่งยิ้มอยู่นั่นแหละเพราะมันสมหวัง มันเหมือนความต้องการที่ไหนได้นะไม่รู้หรอกว่านั่นกําลังกลืนปูนเข้าไปเต็มที่เลยนะเต็มกระเพาะลําไส้เลยปูนมันคลายพิษมาก็เริ่มร้อนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพะลักษณะของตันหามันเป็นอย่างนั้นมันกลืนกินเบ็ดเสร็จนะ่ะเคยมีอยู่ที่หนึ่งนะชอบมากเขบอกอัจโชสานะแปลว่าความกลืนกินเบ็ดเสร็จนะ่ะมันรวบรัดว่าเป็นเป็นเราเป็นของเรามันรวบไว้เบ็ดเสร็จเลยอนะ่ะทีนี้รวบไว้เท่าไหร่ก็เดือดร้อนเท่านั้นแหละ มันพวกตันหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมองว่าหน้าปรารถนาโดยส่วนเดียวหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่เฝ้าวัตตะกันอยู่ได้นานทนเฝ้าเฝ้าทนอยู่เนี่ยก็เพราะมองเห็นเห็นแต่อสสาธะของโลกพระองค์ตรัสว่าถ้าโลกไม่มีอสสาธะไม่มีความน่ายินดีอยู่หมูสัตว์ไม่ติดเป็นแน่เนื่องจากว่าโลกเนี่ยมันมีความน่ายินดีอยู่หมูสัตว์จึงติดหมูสัตว์จึงคล้อง ทีนี้คําว่าตันหาที่แล่นไปในธาตุมากมายก็ดีธาตุไหนบ้างที่ตันหาแล่นไปแล่นไปในจักขคู่ธาตุแล่นไปในตาบ้างแล่นไปในสีบ้างแล่นไปในจักรคู่วิญญาณบ้างนะตาก็ตันหาก็ชอบสีตันหาก็ชอบการเห็นตันหาก็ชอบหูตันหาก็ชอบใช่ไหมเสียงตันหาก็ชอบได้ยินตันหาก็ชอบจมูกตันหาก็ชอบกลิ่นตันหาก็ชอบ คาณาวิญญาณตันหาก็ชอบลิ้นตันหาก็ชอบรถตันหาก็ชอบชิวหาวิญญาณตันหาก็ชอบก็ลองนะมีอะไรมาแตะที่ลิ้นมีมีลิ้นมีรถอะแต่ไม่รู้รถนี่เป็นยังไงเดือดร้อนไหมเดือดร้อนอีกนะเพราะชิวหาวิญญาณนี่ก็ชอบกายก็ชอบโพธะพะก็ชอบกายะวิญญาณก็ชอบมโนภวังก็ชอบธรรมมรมทั้งหลายก็ชอบมโนวิญญาณก็ชอบเนี่ยนหรือถ้าเป็นธาตุก็เป็นมโนธาตุ นึกที่จะเห็นนึกที่จะได้ยินก็ชอบอ น, นะจิตที่รับอารมณ์ต่อจากมโนธาตุา น, นะสันติรนะณะเป็นต้นก็ชอบแม้ท ร, รมารมทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็ชอบความคิดทุกความคิดน่นนะสิ่งที่เราคิดนะโดยที่สุดแม้แต่โทสะของเราเรายังชอบเลย น, นะบางทีเรายังชอบโทสะของเราบางคนนะน้อยเนื้อต่ำใจใช่ไหยแล้วมีความสุขกับการน้อยเนื้อต่าใจอีกเมกันนะเออเป็นอัมากขนาดนั้น มีโยมคนหนึ่งเป็นอาจารย์มหาลัยด้วยเขามีเป็นโรคมะเร็งแล้วก็มะเร็งในในอกนะครับพวกกันในตับมะเร็งตับแล้วมันปวดมากตอนหลังไอ้ความที่เขาปวดมากๆเขาก็เลยบอกคุณแม่เขาบอกคุณแม่ครับผมมีความสุขกับความเจ็บปวดไปแล้วเพราะงั้นแม่เขาก็เลยโอ้ยลูกคนนี้ไม่รู้จะช่วยยังไงนะมันมีความสุขกับความทุกข์ไปแล้วอะ่ะก็เลยมีความสุขอยู่คนเดียวสุขกับความเจ็บปวดนันะอ ในที่สุดก็อยู่ได้แต่ตอนนี้เขาเผาเรียบร้อยแล้วละ่ะเพราะมะเร็งมะเร็งตับนะนก็อายุไม่นานเท่าไหร่ก็ปรึกษาอรรมาบอกว่าจะช่วยลูกเขาได้ยังไงบอกอรรมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีความสุขกับความเจ็บปวดแล้วก็เชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูงด้วยเนี่ยนะว่าเป็นอาจารย์หมาหลาลัยก็เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่ามีความสุขกับความเจ็บปวดพบใหม่ไม่ทราบว่าไปเกิดที่ไหนเนี่ยนะประว่าิเขาก็ไม่ได้สนใจศึกษาพระธรรมอะไรสักเท่าไหร่ หมูสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ไม่ได้ฟังคำสอนของพระอริยเจ้าที่เป็นกุศลในหายากนักที่จะคิดเป็นกุศลหรือฉลาดคิดเนี่ยนะมีไม่มากหรอกเมื่อใดที่คิดเป็นกุศลนะเมื่อนั่นเชื่อเชื่อเธอว่านั่นเป็นไปตามคำสอนแต่ถ้าว่าเอาเราคนเดียวเลยนะเราคิดเอาตัวเองหมดเลยโดยมากเป็นอกุศลตอนแรกเราว่ามันดีนะไอความคิดของเราเนี่ยตอนที่เราคิดใหม่ๆ ตอนที่มีเหตุผลมาดีหน่อยสมบูรณ์หน่อยเราจะบอกเอ้ความคิดนี้ไม่ใช่ละนะไม่ใช่มันตอนแรกๆ แ, แต่ละความคิดเราก็ว่ามันดีแล้วมูสัตว์เนี่ยยินดีจริงๆเลยนะในความคิดเนี่ยติดข้องมากในความคิดสังเกตดูในที่ประชุมนะใครเสนอเรื่องไหนก็จะยืนยันแต่เรื่องนั้นแหละแสดงว่ายึดถือความคิดตัวนั้นเนี่ยมากจนบางคนไม่ยอมฟังเหตุผลคนอื่นเลยเสนอตัวไหนนะถ้าชั้นเสนอเนะี่ยมันต้องใช่ละคนอื่นเสนอผิดหมดอ่ะสู้ของฉันไม่ได้ชั้นดีที่สุด มันยึดถือความคิดตัวเองขนาดนั้นนะเขาก็เลยมองความเห็นว่าความเห็นของคนอื่นใช่ไม่ได้ความเห็นฉันดีที่สุดโดยที่สุดมโนวิญญาณนี่เกิดร่วมกับทิฏฐิทิฏฐิของฉันดีที่สุดทิฏฐิของคนอื่นใช่ไม่ได้ทิฏฐิของฉันเนี่ยทำให้บรรลุนะทิฏฐิของคนอื่นบรรลุไม่ได้นะใครที่นับถือลัทธิฉันเนี่ยคนนั้นปฏิบัติดีใครที่ไม่นับถือลัทธิฉันคนนั้นปฏิบัติเลวนะก็เลยแบกถือไอความคิดนี่มาก ถ้าปฏิบัติในรัฐที่ของชั้นนี่บริสุทธิ์ปฏิบัติรัที่อื่นบริสุทธิ์ไม่ได้เนี่ยนะก็เป็นที่มาของถกเถียงกันอยะว่าสมัยนี้สมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้นสมัยพุทธกาลเขาก็ถกปัญหานี้อยู่ก็ไปดูในจุลวิยูหสูตรมหาวิยูหสูตรเป็นต้นเนี่ยนะพระสูตรที่กล่าวถึงการถกกันในเรื่องทิฏฐิเพราะแต่ละคนก็จะแบกความเห็นของตนดังนั้นมโนวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่สัตว์นับถือมากเคารพจำนนต่อความคิดมาก ถ้าคนที่ทําตีรณะปริญญามาดีๆจะรู้ว่าจิตที่เกิดร่วมกับชาวนะก็ไม่เที่ยงปอนหน้านี้ความคิดนี้เกิดไหมก็ไม่เกิดถึงมีปัญญาปัญญาทั้งหลายได้ปัจจัยพร้อมปัญญาจึงเกิดถ้าหมดปัจจัยล่ะปัญญาเกิดเพราะโยนิโสมนัสิการเพราะการฟังธรรมถ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่มีโยนิโสมนสิการเมื่อไหร่ปัญญาก็ไม่เกิดแล้วจะไปสําคัญหมายอะไรในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นปัญญาที่เป็นโลกิยาเนี่ยโดยสัจจะเป็นอะไรสัจจะ ทุกขศัยิย์ปัญญาในอดีตที่ดับไปแล้วเนี่ยกิจควรทําอะไรควรปริญญากิจใช่ไหมแต่ไม่ใช่เอาปัญญาเหล่านั้นมาเป็นที่ตั้งแห่งมานะเป็นที่ตั้งแห่งความเย่อหยิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความถือตัวแต่เชื่อไหมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยึดถือห่วงแหงนธนุถนอมความคิดของตัวเองยิ่งกว่าอย่างอื่นทั้งหมดรักมากดูแลมากเอาใจใส่มากน้อยนักที่จะกล่าวว่าแม้แต่ความคิดอันนี้ก็ไม่เที่ยง เมื่อก่อนความคิดนี้ก็ไม่เกิดแล้วความคิดนี้จะเกิดนานสักเท่าไหร่เนี่ยนะเคยมั่นใจไหมว่าความคิดตัวนี้จะเกิดนานสักเท่าไหร่นี่มันได้ปัจจัยร้องมันจึงคิดอย่างนี้ถ้าหมดปัจจัยความคิดเหล่านี้จะมีต่อไปไหมเนี่ยนะพันธุ์ก็อย่าได้ยึดถือความคิดจนเกินไปแต่ตัมมักตาให้ดีหน่อยสิ่งที่เราคิดนี่มันเกิดร่วมกับตัมเนี่ยนะกรรมตัวนั้นเนี่ยดีหรือชั่วล่ะบุญหรือบาป นั่นแหละเป็นเหตุแห่งสุขและแห่งทุกข์ต่อไปท่านให้มองเห็นความคิดว่าเป็นกุศลหรืออกุศลถ้ามองว่ากุศลในอดีตตอนนี้เหลือไหมเหลือไหมท่านบางคนเนี่ยพูดถึงกุศลในอดีตเหมือนคนเคยอิ่มดีไหมนะคนเคยอิ่มคนเคยรวยนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะเฮ้ยคำว่าเคยเนี่ยแปลว่าตอนหลังไม่มีแล้วบางคนก็บอกโอ้ชั้นเนี่ยเคยมีปัญญามากฉันเคยอย่างนั้นชั้นเคยอย่างนี้ แปลตรงๆภาษาไทยๆว่าตอนนี้เขาไม่มีไอสิ่งที่เขาพูดถึงหรอกเนี่ยนะท่านก็อย่าไปได้ยึดถือความคิดจนเกินไปความคิดเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นสังขารธรรมที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งขึ้นแต่สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งชนิดนี้มีอุปกรณมากมีคุณมากควรทําให้มีใหม่ๆทั้นการปฏิบัติธรรมนั้นอะ่ะคือการทํากุศลจิตใหม่ๆ ใ, ให้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา น้อมอาวัชนะให้เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องในทุกอารมณ์ถ้าทำยังไม่ได้ไม่ได้ก็ฝึกสิเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณสิ่งที่ได้โดยง่ายมีมักเดียวมักภาษาเหนือนะแปลว่าชอบชอบสบายๆเนี่ยนะมักเดียวก็จะเรียกว่ามักง่ายก็เกินไปนะแล้วก็ แต่ที่เหลือนี่ยากหมดเลยโดยเฉพาะกุศลเนี่ยที่เราเคยคิดไปเป็นอกุศลมากๆบ่อยๆนานๆเนี่ยที่จะให้เป็นกุศลเนี่ยยากหน่อยแต่ว่าทําได้ฝึกได้สาระสําคัญที่สุดเห็นโทษของอกุศลไหมอกุศลมีโทษจริงหรือในความคิดของเราเราแน่ใจนะว่าอากุศลมีโทษเวลาอากุศลเกิดขึ้นแล้วก็มานั่งค้ามใจเราเองมีโทษหรือไม่มีโทษให้ทนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าชมไหมนี่ที่เราคิดแบบอกุศลอันนี้ภาษารีบุตรท่านชมเชยเลยใช่ไหมมอบดอกไม้ให้ช่อ น, นึงเลยที่คุณคิดแบบนี้ได้ไหน ม, มีมีใครมาบูชาหรอกความคิดแบบนั้นเขามีแต่ขยะข ย, ะข ย, ะยงเขามีแต่รังเกียจะ้อ้ความคิดอย่างนี้มีโทษเป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ปัญญาก็จะดับเนี่ยนะบางทีแม้กระทั่งความจําเป็นต้นเนี่ยนะทรงจําพระธรรมไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากนิวรณกลุ่มรุม เมื่อ น, นิวรกลุ้มรุมแล้วเนี่ยนะก็ทําให้กุศลดับไปเพราะฉะนั้นความคิดที่เป็นอกุศลเราก็ไม่ต้องไปหวงแหนทะนุถนอมมันหรอกอ น, นะดูถูกดูหมิ่นเหยียดยามมันเถ่าว่าแกนี่มีโทษแกนี่เป็นศัตรูของฉันแกนํามาซึ่งความลําบากใจให้แก่ฉันเพราะฉะนั้นก็เห็นโทษที่สุดเท่าที่จะเห็นได้รังเกียจตัวความคิดที่เป็นบาปที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ความรังเกียจบาปตัวนี้เป็นทรัพย์หรือไม่เป็น รังเกียจบาปนี้เป็นอริยรัพนะเรียกว่าฮิริกับโอตปะถ้ารังเกียจบาปขยะขยงต่อบาปเรียกว่าฮิริเนี่ยนะเกรงกลัวต่อบาปที่มันจะมีผลต่อไปนี่เป็นโอตปะขอมาอยากจะให้เราทั้งหลายเจริญกุศลตัวนี้ให้มากๆขึ้นเรียกว่าเจริญฮิริโอตปะเนี่ยนะ น, น่าเจริญมากๆบางคนนี่เอ๊ะทำไมไม่สนุกเลยเนี่ยทำไมเรามันหวาดเสียวไปหมดเลยจริงๆเขาไม่รู้ว่านั่นเป็นทรัพย์ชนิดหนึ่ง ในโลกนี้นะเขาบอกว่าคนที่มีทรัพย์คือคนที่ประหยัดนั่นนะใช่ไหมคนที่จ่ายทรัพย์เป็นเพราะเขาเหล่านั้นก็จะรักษาทรัพย์ได้ฉันใดผู้ที่รังเกียจต่อบาปอาคุศลก็เหมือนกับรังเกียจความเสียหายของทรัพย์เพราะความรังเกียจนั้นเท่าไหร่เป็นบุญของเขาเท่านั้นในบรรดาอริยทรัพย์เจ็ประการเนี่ยนะที่น้อยคนนักจะคิดว่าฮีเรโอตาปะละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่ออาคุศลเหล่านี้เป็นทรัพย์เป็นสิ่งที่ควรเจริญ น้อยคนนักที่จะเป็นอันนะพระ อ, องค์ตรัสเลยว่าน้อยคนนักที่จะเกียรติกันบาปด้วยฮีริเนี่ยนะด้วยฮีริโอตัปะเนี่ยน้อยนักที่จะห้ามบาปในจิตด้วยอำนาจของฮีริโอตาปะน้อยนักที่จะละัลงเกียรติต่อบาปเนี่ยนะพอกพอพอแล้วทำไมจะเป็นป่วยทางความคิดขนาดนี้บอกว่างินฉันทุกข์มามากแล้วหว่งเงนจะให้ทุกข์ไปถึงไหน ก็ให้เกรงรังเกียจในในสภาพที่เป็นอกุศลนั่นเป็นทรัพย์ชนิดหนึ่งนั่นเป็นบุญชนิดหนึ่งที่ควรเจริญนั่นเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อช่วยให้ตรัสรู้ได้เพราะหีเรโอตาปเป็นเหตุใกล้ของอะไรของศีลเป็นเหตุใกล้ของอินทรีย์สังวรเป็นเหตุใกล้ของกุศลธรรมเป็นอันมากพระนันทะเนี่ยนะพระนันทะเนี่ยที่ท่านเป็นมูปเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในเมื่อการเห็นทุกทิศ เช่นพระนัน้าจะเลืมเอมลืมตาดูที่ตะวันออกท่านจะตรารบศาธกะสัมปัญญาเลยว่าอันนี้นี่จะเป็นมีประโยชน์ไหมที่จะมองอภิชาและโทมานัทเป็นต้นจะครอบงำท่วมทับได้ไหมท่านจะสอบถามรายละเอียดสิ่งเหล่านี้อย่างท่วนทั่ว อ, อันนี้เป็นลักษณะของสัมปัญญาของท่านแต่ที่ท่านเป็นอย่างนั้นคือท่านมีฮิริโอตปะอย่างแรงกล้า ถ้าท่านไม่มีเฮริโอตาปะอย่างแรงกล้านะท่านจะเดือดร้อนมากในบรรดาคนที่มีราคะกล้าเนี่ยนะพนันทาราคะกล้ามากราคะจริตชนิดดุนแรงแล้วท่านเป็นคนรูปล่อมากๆเลยนะหล่อรองพระพุทธเจ้าเท่า น, นั้นเองมันคนจะมองท่านด้วยสายตาที่เรียกว่าไม่มีใครดูหมิ่นท่านอะ่ะทุกคนจะมองท่านด้วยความชื่นชมยินดีตลอดอะนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะดีใจที่พนันท่ามอง แล้วตัวของท่านเป็นคนที่มีราคามีกําลังมากเนี่ยถามว่าท่านอยู่ได้ยังไงท่านปฏิบัติยังไงจึงได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฮีริโอตา ป, ปะท่านมีกําลังมากท่านศาสตร์กะสัมปชัญญะท่านแม่นยํามากท่านจึงประคองจิตไม่ให้ตกไปในบาปท่านจึงสามารถเป็นพระอรหันต์ได้าในบรรดาราคาจริตเนี่ยนะเราทั้งหลายไม่รู้ว่ามีใครเท่าพระนันทาบ้างหรือเปล่าไม่ทราบแต่ท่านข่มได้ด้วยอํานาจของฮีริโอตาปะ นันลักษณะว่าทบทวนมาอีกครั้งว่าตัณหาเนี่ยปกติธรรมชาติของเขาเขาเพลิดเพลินไปในทุกอารมณ์เขายินดีเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นก็น่าจะซักน่าจะฟอกน่าจะหมั่นสอบถามว่าราคะโทสะโมหะหรือโดยเฉพาะราคะตัณหาเหล่านี้นะมีโทษหรือไม่มีโทษเนี่ยนะก็ถามเอาเองนะมีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ให้ผลเป็นสุขให้ผลในปัจจุบันเอาไหมให้ผลในอนาคตต่อไปเอาไหม เนี่ยนะให้ผมในพบที่สามต่อไปได้ไหมเอาไหมเพราะตันหาพระองค์ตรัสว่าให้ผลเป็นที่ธรรมก็มีอุปชาเวทนิยกรรมก็มีอัปราปะเวทนียกรรมก็มีรรมมให้เจริญว่าเท่าไอความรังเกียจต่อบาปเห็นทุกเห็นโทษของบาปเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งของเราที่ควรเจริญนะก็ให้รู้จักว่าเออตันหามันเป็นเช่นนี้แลชอบพุทธพจน์บางแห่งที่บอกว่าศัตรูภายในอมิตรภายในเพชฌฆาตภายในผู้ฆ่าภายใน ผู้ทําลายประโยชน์ภายในประดุดสนิมที่เกิดในเหล็กเพื่อทําลายเหล็กชั้นใดราคะโทสะโมหะความหวังความเพลิดเพลินความต้องการความยินดียิ่งด้วยอํานาจตันหานี่มันฆ่าเราโดยประการทั้งปวงนะใครเคยถามบ้างว่าถ้าตันหาเกิดขึ้นตัวเองเสียหายอะไรบ้างเ ค, เคยสอบถามดูไหมว่าถ้าราคะเกิดขึ้นถ้าโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นบาปอากุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะรู้ไหมว่าเสียหายตรงไหนบ้าง ไปถามนะว่าเราต้องทำลายผลประโยชน์ตัวเองแค่ไหนมัางานะนะอาคุศลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคิดดูเรามาทบทวนดูนะว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายปรารถนาประโยชน์ปรารถนาความสุขใช่ไหมอย่างที่ที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเออทุกคนนี่ปรารถนาความสุขพอกิเลสมันเกิดขึ้นอย่างเดียวเนี่ยนะไอความสุขที่ต้องการเนี่ยไม่เหลือเลยนนนะ เช่นว่าอย่างยกตัวอย่างว่ไอ้ความไม่สบายใจอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะแต่จริงความไม่สบายใจเนี่ยมันเป็นผลของความต้องการหรือเป็นผลของตัณหาถ้าตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยมันเสียหายแค่ไหนสมมติถ้าเราชอบใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะความชอบใจอันนั้นหนึ่งทานนกุศลเหลือไหมทานเนี่ยมีให้อ่าให้อ น, นิี้สงตั้งเยอะแยะอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงใช่ไหมถ้าตัณหาเกิดขึ้นขณะนั้นเป็นทานนกุศลไหมไม่เป็น ศีลเนี่ยนะจะศีลห้าปานเวนจากปานติบาตเป็นต้นอุโบสถศีลศีลสิบศีลของพระพิสุทิ์จะตุปปาริสุทธิ์ศีลสีเลนะสุขติงยันติศีลเป็นเหตุแห่งสวรรค์สีเลนะโภคสัมปทาผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทจะรักษารักไว้ได้สีเลนะนิพุติงยันติผู้ใดปฏิบัติตามศีลเนี่ยสามารถบรรลุมรรคผลที่พามได้ขณะที่ราคะเกิดเนี่ยทำลายศีลหมดเกลี้ยงเลยศีลไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียว เมื่อศีลไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเนี่ยนะสุขคติได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นประโยชน์การเกิดเป็นมนุษย์อย่าว่าจันทานเลยมนุษย์ยังเกิดไม่ได้เลยนะมีสิทธิ์เป็นมนุษย์ยังไม่ได้เป็นเลยจะกล่าวไปเลือกชั้นวันนะเลือกพ่อเลือกแม่เลือกชาติเลือกตระกูลเลือกประเทศไม่ได้มาแค่ให้เลือกเป็นคนได้นี่ก็ยังยากแล้วเพราะอคติผลมันบันทอนเพราะอากุศลมันทําลายนี้ถ้าเป็นสูงขึ้นไปอีกนะมันทําลายสมถะ เมตตาพรหมวิหารก็ถูกทำลายไปหมดเกลี้ยงนะนะเหมือนยิ่งกว่าถูกระเบิดบอมหมดตัวเลยนะเพราะอาุศลเกิดเนี่ยทำลายเมตตาทำลายพรหมวิหารทำลายพุทธานุสติพระพุทธคุณเนี่ยปประมาโนพุทโธคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้เวลาอาุศละเจตเราเกิดขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะเรายังมองไม่เห็นคุณของพระองค์เหมือนอย่างว่า โลกนี้กลางวันเนี่ยดวงอาทิตย์ 2, สองสว่างสวยไปหมดมีฝุ่นเนี่ยเปลววันฝุ่นที่มีพิษเนี่ยนะมาต้องตาเราเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นโลกถึงจะสว่างสวัยขนาดไหนก็มองอะไรไม่เห็นขับรถนะถ้าลองมแมลงมันบินเข้าตาดูตอนกลางวันเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นมันไปได้ต่อไปไหมทําลายประโยชน์โดยประการทั้งปวงนะฉันใดอกุศลที่มันเกิดขึ้นในภายในมันทําลายพุทธคุณเราหมดเลย คนของพระพุทธเจ้าถึงจะท่องบนสาธยายมาได้ขนาดไหนถ้าอากุศลจิตเกิดขึ้นนะทิ้งพระพุทธเจ้าหมดเลยเหลือแต่อกุศลบริสุทธิ์มาเงีนนะ้ยไม่มีกุศลสับวางเลยนะมีแต่อกุศลมันล้วนพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้8ปดหมืพระธรรมพระธรรมขันไม่เหลือแม้แต่ธรรมขันเดียว